นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะสะฟะฟะภะสะอกรังังขุทรโสภะสมปทา ปจิตตะยยอ์ปัญตังเอสังพุทธานัสสันตีเตติณาโอกาสบัดนี้อาตมาภาคจะแสดงพระสธรรมเทศนาในมารคะคาถาเพื่อเป็นเครื่องสสงองค์คาสทาวารมี ที่บรรดาทันิสราทานะบนดีทั้งหลายได้ร้อนใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักคือในวันพระมาคบูชาวันนี้ทั้งนี้เพราะว่าบรรดาท่านพระบริสทังหลายมีความเรื่องใสในองค์สมเด็จพระจินดารีกรมมาสัจฉนาสมมาสันพุทธเจ้าให้เป็นเหตุ ยินได้ตั้งใจมาสดับรับรถพุทตฟุตเทศนาเป็นคำส่องซอยองค์สมเด็จพระบรมรูกเคเชกิลครังนี้ความจริงเรื่องมาคาบูชาในบรรดาธนบุตรบริษัททั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาชสุดาสัมมาทัตพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสัพพะปัสสะการัง กุศลโสภณสัสมมาทาสักิตะประโยชน์ภัณฑังเอตังพุทธานัสสานังซึ่งแปลเป็นใจความเป็นตอนตอนว่าหนึ่งสัพพปาปัสสะกันังซึ่งแปลว่าท่านทั้งหลายต้องยังความไม่ต้ยังละความชั่วทุกอย่างกุศลโสภณสัสมมาทาต้องทำต่ความดี กจิตตประโยธปัญญังต้องทำจิตใจของสายจากเจริญองค์สมเด็จพระบรมโรคกเทศตัดว่าพระพุทธเจ้าทุกองตัดอย่างนี้ไว้กันหมดเนื้อความเรื่องนี้ก็มีว่าเมื่ององสมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าทรงมารุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆ วันนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมราชสันได้สัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรลุแล้วสมเด็จพระทีิแก้วเชิงริศทรงพระเดชพระดําเนินมาโปรดปัญญวาสีฤาษีทั้งห้ามีในโกนยะเป็นประธานเมื่อทรงโปรดให้ฤาษีทั้งห้านั่นเป็นพระอนแล้วก็ส่งไปประกาศพระศาสนา ต่อมาพระเสด็จมาพบพระธิยะพระคนผู้เจริญสามสิบคนทรงเสด็จประทศสุภงก็เทศถึงเขาเป็นพระโสดาบันส่งไปประกาศตระศาสนาหลังจากนั้นก็เสด็จมาพบพระอัสสิซึ่งเป็นลูกของมหาเศรษฐีคณะนี้มาฟังฟังเทศเจ้าองค์เด็จประชดเสด็จและวหมดทั้งห้าสิห้าคน เป็นอรหันต์หมดก็ทรงทรงปประกาศปรนะศาสนาหลังจากนั่นองค์สนเจัมารมปัจจเจ้าทรงสนเจตาโปรดพันจักรีทรสงสนเจตาโปรดพันดาฤาษีทั้งามท่านที่เรียว่าโคเดินมีบริวารแต่งคนองค์สนเจตปทศพลประมาสัสดาสมมารมรสมมารมรมปนะัจเจ้า ประเทศโปรดแล้วเขาไปอาหารหันต์ทั้งหมดก็ทรงไปประกาศพระศาสนาหลังจากนั้นมาสมเด็จพระราชาศรีดาจะเข้าสู่กรุงนั่นคือมหานครทว่ามีสัญญากระจอมบอกพิจอริสอนคือพระเจ้าพินพิสานบริบาลสัตว์เมื่อ ส, สมัยมาองสมเด็จประทรงสวัสดีโสภาออกสู่เข้ามหาพิเนศรม ขณะนั้นเมื่อผ่านมากรุงรัชย์มหานครพระเจา้าพิบิษายคิดว่าองค์สมเด็จพระชิกรวรตดรงแตกคอกับชาวกรุงรัตนพัฒน์จึงได้สละราชสมบัติหนีออกมาอยู่ป่ายังได้ออกข้ามาชวนมาว่าให้เข้าไปกองพระน ค, ครร่วมกันเพระเาะเป็นเพื่อนกัน จะแบ่งอำนาจให้ซึ่งหนึ่งองค์สมงสุดคือสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไมีพระพจิธีกาตัะว่าสหาราชะขอพระไวยพระพรหว า, ะวาะหวาะิะหาากพรายพระสมภารการที่อาตมาตถาคตออกมาช่าวนี้ใ น, นความจริงไม่ได้แต่คอกับใครเพราะว่ามีความคิดเห็นว่าชาวโลกทั้งหลายทั้งหมดเต็มบปร้วยความทุกข์เมียนิจังหนึ่งความไม่เที่ยง สองทุกขังมีแต่ความทุกข์สายวัชตาตายสลาตัวหมดเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วถ้าบาปอกุศลยังไม่หมดก็ต้องวิ่นบินไหวใจเกิดในวัตะของสารมีแต่ความลําบากต่อไปนี้อาตมาภาคต้องการพระโพธิยานคือวัลุอวิเศษสมมาทั้โพธิยานเป็นพระพุทธเจ้าต้องการแสวงหาธรรมนิธรรมบุคคลให้ไม่ตายต่อไป เมื่อจัดอย่างนี้แล้วพระเจ้าพิมิสันยิกัาอภิสนาว่าข้าพเจารุมาลัยเพราะว่าปวข้าพระพุทธเจ้าก่อนแต่ความจริงพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจจะมาสอนพระเจ้าพิมิสัยก่อนเหมือนกันแต่ถ้าว่ามรการบรรลุอภิเศษสมาธิพอดิญา์แล้วออกสมวนในควาระติบแก้วก็ค่อยส่วนด้วยกําลังพบุคติญาณว่าการเทศคราวนี้เราจะเทศตัวใครก่อน เพียงจะบรรลุบรรผลคฟนฟังก่อนเป็นคนที่มีความสําคัญมากถ้าคนฟังครั้งแรกไม่มีการบรรลุมรรคผลการเทศน์ของพระพุทธเจ้า hmm. ก็จะไม่มีความหมายสมเด็จพระจอมไตรปิฎกสรรดาเจเนซุมตูดด้วยกําลังอํานาจสุภัติยานก็ทราบว่าอารารดาบุตรทักษดาบุตรต้องไปอาจารย์ใหญ่พระองค์มาไป็นการก่อน ซึงได้อรูปวิชานสองท่านถ้าสองท่านนี้ฟังคำเทศนาขององคุณเดชประสงค์ท่านเป็นแค่จบเดียวก็อย่าไปละหันก็ได้พิจารณาต่อไป ว, ว่าเวลานี้ทั้งสองท่านอยู่ที่ไหนองคุณเดชจำใจก็ทรงทราบว่าเวลานี้ทั้งสองท่านตายจากความเในคนไปเกิดเป็นพรมเป็นอรูปพรหม ไม่มีอายตธ น, นะเป็นเครื่องจะฟังไม่สามารถจะฟังเทศได้ยังไดง้มีความสลดใจว่าโอหน้ออาจารย์ทั้งสองของเราเป็นผู้ที่หายจางความดีจะแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระรพทีรแก้วก็ทรงดำมิตต่อไปว่าจะเทศสัวใครก็ทราบว่าฟันญำวิเีราะหงสีทั้ทงห้าที่เคยปฏิบัติโอง ม, มากร มีเทสะโกนญญาเปรียบทานดับฟังเทศเจ้าองค์สมเด็จพระจักรวริสร้างจบภูนัญญะเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นประโสดามันและหลังจากนั้นต่อมาเทศอีกไม่กี่วันทั้งหมดก็สุเด็จสมเด็จสรเดตลาดผลแต่นั้นองค์สมเด็จพระทศกุนยังต้องไปเทศตรวจปัญญวิเคราะหฤทธิ์ีรษะห้าก่อนแล้วก็ว่ากับมาตาลันดับ มาองส์นเดชพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้ามาเึา่นเขกรุงราชคกือมหานาครจอมบอพิตรดีสรคือพระเจ้าพิมิสารบรมกษัต ร, ริย์พระบาทท้สสาเธอทรงทราบข้าวจึงนำคนสิบสองหุ่มทั้งหมดด้วยกันไปเฝ้าองค์ส้นเดชประจอมใจบรมศาสัญดา พระบิดาเจ้าก็ทรงเทศจบแล้วทรงคนที่เอ็ดนะหดเป็นพระโสดาบันก็จำพระเจ้าพิมพ์สายก็เป็นพระโสดาบันเหลือหน่วยหนึ่งองค์หนูว่าหดที่สิบสองยังไม่ได้ไรเข้าทั้งใจศสนาคมต่อจากนั้นมาพระเจ้าพิมพ์สายก็ทรงถวายก็เวรวันมหาวิหารเป็นที่ประทับของคนเด็ดเป็สัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ถวายความสุขทุกอย่างมีอาหารการบริโภคเ่องใช้สอยทุกอย่างก็มาในการนั้นกับราคามีอาหารเกิดขึ้นในโลกแล้วทั้งหมดสองร้อยห้าสิบกนก็ไปกลางเดินสามพอดีไกลางเดินสามนี่บรรดาใจพุธบริษัตบางตำราบอกว่าตำราเขาพราม เมื่อถึงกลางเดือนสามบรรดาพรานทั้งหมดจะมาจะมาทําพิธีอย่างหนึ่งของพรามโงกันมีการประชุมกันแต่ถว่าวันนั้นบรรดาพระสนรททั้งหลายจะมาไประชุมกันที่อสมเด็จสัมมาสัพุทเ จ, จ้าทรงทรงพรด็ดชจูก็เป็นอนุภาบรรดาพระทั้งหลายที่มานี่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับพิธีของพราหม์ ถือว่าเป็นประเพณีนิยมของพระศาสนาที่พสสระเจ้าทรงกติกาประเพณีรของพรามณ์เาเรียกว่าสยามภูซึ่งวางวา ง, วางการเดินสายพราม์ที่อยู่ที่ไหนทั้งหมดจะต้องอารวมกันทั้งหมดทำพิธีสยามภูร่รว ม, มประชุมกันปรากฏว่าเป็นอรหรันต์นหนึ่งบวจากพระเจ้าเองเหมือนกันหมดพระเจ้าให้บทเองในการทั้งสองฝังทำร่วมกันทั้งหมดในการเนสายเป็นอรหันต์ทั้งหมด ถ้าก็ต่อมามาประชุมพร้อมกันในเมื่อบรรดาพระสมทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันเวลานั้นองค์สมเด็จพระกัวยนยังมีพระพุทธฎีกาหรือว่าพิกเวดูก่อนบิสุท้งหลายการที่จะถาคตแนะนำให้เธอทั้งหลายไปสอนบรรดาบรชายชนก็ยังไม่มีกาหนดแน่นอนว่าจะสอนยังไงกัน ว่าต่างคนต่างเป็นพระอรหันต์ต่างคนต่างเป็นปโสดาบันแดยความจริงพระอรหันตก็ดีปโสดาบัญก็ดีสอนไม่ผิดจะคําคสอนก็าองค์นนสมเด็จพระสัมมาทัมโมติเจ้าเพราะว่าสอนตามคนที่ตนเองได้บรรลุมาแล้วไม่มีการผิดแน่นอนแต่การสอนก็เป็นการสอนคนละวิธีคำต่างคนต่างสอนตามความถนัด ในที่สุดก็มีการมุ่งพันธ์ผ่านเป็นที่ไปเป็นที่ตัวเป็นที่สุดถ้ามุ่งสวรรค์บ้างให้มุ่งพมาโลกบ้างให้ละความชั่วตอนนี้เมื่อบันดาระสมทั้งหลายมาประชุมกันหมดอย่างนั้นแล้วองค์พระเจ้าพระปฏิบัติกาวางกฎการสอนในพุทธศาสนนาไว้ว่าตอนนี้ไปแ้าพวกเธอจะไปสอนที่ไหนก็ตาม จำกเทั้งสามเรื่องการไว้ให้มันเป็นพื้นฐานเหมือนกันให้หมดเพื้อหนึ่งสัพ ป, ปาปาปัสสะการนังจงสอนให้ทุกคนละความชั่วทุกอย่างขึ้นที่ว่าความชั่วทางกายก็ดีทาวาจากกดีาาการนึกถอนใจดีให้เลิกเสีคยค่อยๆแนะนำเขาสอนที่เดียวมันยังไม่ได้ผล ค่อยๆปรับลงมาทีละน้อยๆจิตของเขก็จะกินและในการที่สังกัดสาสูบประสมทาแนะนำให้ละความชั่วลายตั้งใจระเฤ้ความดีทุกอย่างเพื่อผลความสุขมอสวรรค์พุทมโลกนั้นให้ผ่านเป็นที่ไปสามสกิตระเดียวตะปันนัง แนะนำทุกคนให้เคยทำจิตใจปอกใช้แต so, ่กิเลสจะได้ไปนิพพานไม่นนิพพานเมื่อกีไปแน่นอนเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทรงตัดยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นบรรดาวันนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกสาวกทุกองตัดก็เระ่มมาสุขภูต ทุกคนเนี่ยเขาจะสาวกโก้ชนิดพระสัมมาทัตพุทธเจ้าทุกคนกท่านทังหลายเวลาอ่านหนังสือก็คิดว่าเราไม่ใช่สาวกอันนี้ไม่ถูกาาคํ า, า, า, ว, าว่าสาวกตามภาษาบาลีเรียกว่าสาวโกถ้าไม่ใส่วิพักอ่านว่าสาวกสาวกกะสาวกกะนี่แปลว่าผู้รับฟัง บุคคลใดตั้งใจรับฟังคำสอนขององค์สมเด็จพ ร, ระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมากกอตามจกน้อยก็าตามเรียกกันว่าสาวกทั้งหมดอันนี้สาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตพระุทธเจ้ามีความหวังอย่างไง <c oughs> ถ้ามีความตั้งใจว่นหนึง่งให้เมื่อตายจากความเป็นคนแลวมีชีวิตอยู่ให้มีความสุขเป็นขั้งแรก แต่การนี้สองมีสวรรค์ที่ไปเป็นอย่างน้อยและพระบรมโลกทุยพันแต่การนี้สามต้องการในถึงนิผพานทั้งหมดซึ่งก็เป็นนั้นว่าคำสั่งสารขององค์สมเ็จโตสุ ข, ข ค, คือพระพุทเจ้าของเราท่านสอนอย่างไงคอย่ำอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งสัพพะปาปัสสะกรนนัง ทุกคนจงอย่าทำความชั่วคือท อ, อยยาทำบาปทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสิ่งใดที่มันเป็นบาปคำว่าบาปแปลว่าความชั่วจงอย่าทำทุกอย่างแต่บางเอิญมีบางกรณีถ้ามันยังมีความจำเป็นจะต้องทำเพราะจิตบัญชินค่อยๆหาทางละค่อยๆหาทางตัดพัน คิดไว้ในใจว่าวันนี้ทั้งวันตื่นขึ้นมาเราจะไม่ทําความชั่วทุกอย่างบางครั้งมันก็เผลอเมื่อวันนี้เผลอพวกนี้เราคิดใหม่เราจะไม่ทําความชั่วอย่างนี้ทุกอย่างไม่ช้ารมวมมาเกิจริงมันก็จะไม่ทําความชั่วนั้นการที่สองกุดสูงวิสัมภาเราจะทำแต่ความดี ความดีมีอะไรบ้างหนึ่งมีความเคารพในบิดามัรดาผู้มีคุณสงเคราะห์และปฏิบัติผู้มีคุณให้มีความสุขตามที่เราจะทำอันนี้เป็นความดีประการนี้สองรูจ้จักเวชาประชาพระไม่เวลาตื่นขึ้นมาเป็นความดีถ้าการรู้จักบูชาพระเวลาตื่นขึ้นมานี้ถ้าตั้งใจบูชาทุกวันบูชาไม่ต้องมาก ใช้เวลาสองสามนาทีกาพา็พอไม่ต้องไปใช้เวลาตั้งแต่โมกติยุคจะไม่ได้กินข้าวเชาว้าตั้งใจลุกขึ้นมาจากที่นอนไม่มีโทษจะจุดก็ไม่เป็นไรกราบลงไปที่หมอนนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้โดยเฉพาะตั้งใจว่านะโมะตัสสะพัทวะโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตั้งใจว่าในความรู้ําว่าธโมนี่แปลว่าข้าพเจ้าขออนุสกา ร, รร า, า, รรารถ้าผู้รีพระพเจ้าผู้เป็นพระรามพระองคงนั้น <c oughs> ถ้าเอาเป็นแค่นี้จริงๆก็ใช้ได้ทำทุกวันให้มันชิงถ้าทิาเวลานั้นต้องทำเตินมาใหม่ๆต้องทำเตินใหม่ๆต้องทำทุกครั้ง ถ้าคืนไหนไม่ได้ทําวันไหนไม่ทำํำมันนั่นคือความไม่สบายใจอย่างนี้แสดงว่าบรรดาลพระบุตรวจิตมีฌานในพุทธานุสติกรมฐานมันเป็นฌานที่ไม่ต้องนั่งเข้าขัดสมาธิถ้าเป็นฌานอย่างนี้คือทําอย่างนี้ทุกวันจนต้องมีอารมณ์ชินต้องทําไม่ทําไม่ไหวใจไม่เป็นสุขเป็นฌานแล้ว ถ้ากําลังใจท่านนี้องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเวลาจะตายท่านจะเห็นพระเจ้าท่านเห็นเทวดาทั้งจะเห็นสมมลลอ ย, อยในอากา ศ, าศจะมารับท่านไปสวรรค์เป็นอย่างน้อยถ้ากําลังใจมีความบั่นคงจริงๆก็ไปเฉยชมแต่ว่าบังเอิญในเวลากลางวันในตอนเช้าตอนใดตอนหนึ่จิตใจเราเกิดไม่นิยมในร่างกายขึ้นมา เอาการทุกๆุกวันนะบางครั้งบางเวลานี่ถึงคิดว่าร่างกายนี่มาเจ็มไปด้วยความทุกข์การหากิงกอดทุกการป่วยไข้ไม่สบายกอทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังกอทุกข์ความพัฒชาจะขอรักของชอบใจกอดทุกข์ความตายกอทุกข์ในเมื่อร่างกายเราทุกข์อย่างนี้ถ้าจะเกิดกี่ชาติแล้วก็ทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนี้อีก ถ้าตายแล้วขอปานิพันธ์ถ้าเป็นอย่างนี้เวลาจะตา ย, ยถ้าอย่าไปหลานปานิพานกันทีนี่เป็นนิพพานไทีปฏิบัติที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลต่อไปนี้ก็จะขอเทศตามใจพระองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสศนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหือว่ามีเรื่องที่เพ่งกับบรรดาท่านพุทธไวษัตย ว่าครั้งหนึ่งมาองค์สมเด็จพระพู้ธมีพระพาเจ้าระเด็จจุทิ่ทร์ได้จะกฤทธมหานครเวลานั้นปรากฏว่าบรรดาประชากรมีพระเจ้าพิมิสารมรรคกษัตริย์บาทเท่าเธอมีความสุขมากทุกคนก็มีความสุขผลก็ไม่แ้งตกต้องตางฤดูการพืชพันธุยาหายก็บริบูรณ์สมบูรณ์ แต่เมืองกรงกันข้ามฝั่งตรงข้ามแต่ไม่น้ำของกงอรงนั้นจะขึ้นมหาะครเมืองนั้นปรากฏว่าเขามีความเด็ดร้อนฝนไม่ตกตามฤดูกาลชิ้นเวลาปียังบ้างสองปี3ปีมาแล้วบรรดาประชาชนหลายก็โทษพระมหากษัตริย์ว่าพระมหากษัตริย์ไม่สร้างอยู่ในสีนในธรรมผลยึงแรง ดังนั้นสมหารกษากับพระบรมราชินีนาถจึงตั้งใจรักษาองโบอสุดทศสินจำศีลคนละสามเดือนเอากันอย่างหนักเอาก็ให้เต็มที่แต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะทําอย่างนี้ส็ปรากฏว่าผลก็ไม่ตก ต, ต้องตามเราดูการผลก็ไม่ยอมจะตรงอีกต่างคนต่างก็มาประชุมกัน ก็ทราบว่ า, าวเวลานี้ อ, องสมเในวันชินวระพระภักกวันคือพระพุทธเจ้าเสด็อจอยู่ที่กรุงราชเถรมหาคในครใกล้ๆกันฝั่งกรงเป็น ข, า <c oughs> ข้ามเขาก็เลยกระว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนชนตกตามธรรมดาคนก็มีความสุขการหาจริงได้สะดวกสบายเพราะคนมีบุญมีกุศล <c oughs> ทุกคนยึดตัดชินใจก็ว่าควรจะไปละธนารอง ส, สมเด็จตถาสมมาทัพพเจ้าให้มาโปรดเม่อกวเวลานั้นเมืองนั้นเมื่อคนเขาแรงจัดโรคระบาดมันก็เกิดคนก็ตายกันมากเรียกว่าคนก็ตายกันทุกวันฉะนั้นชาวเมืองนั้นพระมหากษัตริย์ก็ตั้งตามไปคนมาลัธนาอง ส, สมเด็จตถาสมมาทัพพเจ้าทรงค็ไปไป พระพุทเจ้าโปรดรงรับขณะที่จ ะ, สะเสด็จไปจะบรรดาจะพรธบรมศาสนายให้ทางที่จะผ่านไปถ้มันเป็นป่ากว่าจะถึงแม่นม้ำแต่จะว่าเป็นเหตุอัศจรย์เวลาที่องค์สนเด็จพ ร, ระพุทธวันสเสด็จไปเวลานั้นทั้งทางที่จ ะ, สะเสด็จไปทั้งหมดมันราบรื่นไปทั้งหมดมันเป็นถนนใหญ่ราบเรียบ สองข้างทางก็มีดอกไม้สวยสงงามตลอดทางชั้นระหว่างที่ไปก็มีเทวดาบ้างมีพมบ้างก้านร่มถวายร่มเงากับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและก็มีธงมีฉัตมีธงเป็นแนวแถวเดียวตลอดสายทางที่มีความใหญ่เสมอไปน้ำไปขอสัจจรย์ เวลานั้นก็ไปเห็นอัศจรรย์จากคนทั้งหมดพระอรหันต์เห็นเขาก็อัศจรรย์พระมหากรสัตว์เองพระเจ้าพิมพสารเห็นก็กกนหากากวาดใจเพทราบแล้วเมืองนั้นมาเป็นเมืองป่าพระเจ้าพิมพสารจึงเสด็จไปพางก็องเสด็จไปสัมมาทัมมัสเจ้าเมื่อไปถึงแม่น้ำแลบราโกรกลางแม่น้ำพญานาคก้านขั้นลมที่ทองถือเป็นเครืงรับ ในเมื่อฝั่งน้อนเข้าเรือมารับ อ, อง ส, เสมเด็จพระสัมมาพวเจ้าให้ข้ามไปพระเจา้าพิมีฉานพร้อมทั้งเครื่องส่งลงน้ำไปส่งไปส่งเรือถึงขอฉะนั้นพระราชาฝัง่งน้อนจะเดินลงน้ำมารับพระเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งเครื่องสงกันถึงขอไห้ค่ะรับขึ้นโบกเมื่อรับขึ้นไปแล้วก็ปรากฏมีธงชวมีสนนราบเรียบมีเจ้าดากำล้ม ถวาพระพุทธเจ้าสวาพระอารามทั้งหมดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตระเด็จไปถึงเมืองนั้นพอขึ้นพระเด็จไปถึงที่ประทับพอดีฝนตกหนักฝนก็ตกหนักขนาดหนักที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอันนี้เมื่อฝนตกหนนักนน้ํามันก็นองน้ำมันก็ไหลลงไอ้สิ่งที่เป็นปริจุกุลศพที่เน่าต่าง ๆ, ๆมันก็ไหลลงม่น้ําไปหมด หลังจากมอผลหายแล้วองสันสติพ่อพรมมุขคจึงได้มีพระพุทธวิการแต่ก็อนุพราอนันทาโดยก่อนอนเสียในเมืองนี้เมื่อผีตายคนตายกันมากโทษผีวิสัยก็เต็มเมืองถ้าอย่างนั้นเธอจึงนำขันนี้ไปน้ำใส่เข้าทำน้ำมนต์ไปทรมให้รอบเมืองเดินอยู่บงกระแพงเมืองทรมให้มันรอบ เพื่อเปนการปัดเป่าพวกผีวิเศษที่สิงอยู่ในสถานที่นี้และอันดงก็รับขันน้ามาจากองค์สมเด็จพระจีนศรีแต่ขันน้ําและพระเจ้ายังไม่ได้ทันน้ำมนต์มันเป็นขันน้ำเฉยๆถ้าอันดงก็ตั้งสัตยาจิตาจขอบารมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งถ้าจะไหว้ยาวเลยน้ํามนต์บทนี้นะโพตะบุพังพิกเว จันยนะังทรงเลยท่านเสกด้วยอาถรรพูตะบุกพังพิกสวีไม่เบิกอ า, า, า, าถรรพขับผีจำไม่ดีนทุกคนนะถ้าว่าไม่ดีผีขับเอานะว่าเราตั้งใจว่าดีถ้าว่าไม่ดีผีขนะับก็เด็กก็เรยียกเลยจะจะไปโทษพระไม่ได้นะว่าโพตบุกพังพิกสวีไม่ใช่จบนะจะไปหัวยอะไรบ้างทีนี้ เพราะว่าจบทั้งหมดพระนรมก็ปมไปพรหมเวลาไปพรงมก็ น, นึกถึงบาปมีพระพุทธเจ้าว่ากระเทาะวันนี้เรื่อยไปรอบเมืองพอพรหมไปรอบเมืองแถบหนึ่งปรากฏผีวันหนีจากเมืองแถบนี้ไปเจ้ออกมาตัให้เจ้าพวกผีมันมากมันออกประตูไม่ทันมันดังกระแพงเมืองพังไปแถบหนึง่งเห็นไหมเจงาเจงาว่าได้ไมันคูจะผูกพังอ่ะ ปาดใยฝาพังหลุดทีทีไม่ออกก็โลความว่าบรรดาเมืองไหนก็มีความสุขมยความนวามานราฝนตกต้องตามฤดูกาลฝนดีมีคุยความประโยชน์ดีเพื่อปัญญาหามดีด้วยแต่นี้พระพุทธเจ้ า, าก็กลับเมื่อเวลาพระเจ้ า, ากลับเขาว่าทำอย่างไรเทวดากลางล่มทรมกลางลมให้ทางที่มันไม่ราบเรียบ ก, ก็ราบเรียบร่มรื่นดีมาก มันเป็นทางปรับดีมาฝั่งนี้พอถึงชายฝั่งพระราชาเมืองนั่นก็มาส่งก็ส่งเรือที่ข้างรัวจับลอยคอมาถึงคอรรกรป้ายเจ้าพิมพ์แสก็ไปรับลงไปรับาการน้ำถึงคอเหมือนกันก็เป็นน้ว่ามองค์สมเด็จพระพักตรวัมนมรรมาสั น, าาสานดากราบมาพักที่พระเวุวันเม่หารแล้วก็มีบรรดาพระสงฆ์ไปถามองค์สมเด็จพระพุทีแก้า ว่าพันเตภะกขวาข้าเถียงค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าพ ร, ระเจริญพระพุทธเดียวขาข้าพระเจ้าอยากจะทราบว่า้วยอานุภาพอะไรนในเมื่อข้าฐานจากที่ทรงนะะั่งคือมหมาลนครไปสู่ท่าน้ํามันเต็มที่ป่าชัดเวลาที่องค์สมเด็จพระสุนสวัสดีสมภาะเกล็จไปเป็นไกลไปถนนราบเรียบรื่นงเ้าใหญ่โตมากกว้างขวาง แม้แต่ผงนิดหน่อยก็ไม่มีขวางสองข้างทางก็มีต้นไม้ดอกไม้สวยสด่างามมากแล้วก็ในระหวา่างข้างๆก็มีเทวดายืยนเสือธงเป็นแถวมีพรมและเทวดาตั้นล้มสวายพระฝั่งนี้กับฝั่งล้งกัเหมือนกันแล้วก็ไปถึงฝั่งล้งก็ปรากฏว่ามีว่าถึงพับฝนตกทันทีขับวรนดาวจิ๋นเนไหลายเหล่านี้ที่เน่าเน่าให้หมดไป สร้างบ้านเมืองสะอาดแล้ฝนตกกระฝานน้อนเป็นใตตามตามตามฤดูกาลเพื่อว่ามเพือความในญารดีสมเด็จพระเจ้าถีบริบาลศาสตร์สันดาลสัมมารุฒเจ้าจัดว่าพิจารีาดูก่อนพิจุรณหลายอานี้สงที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่อันสงที่จะมาภาพแต่จะถาคตบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเข้าใจ ท่อง诵ฟังให้ดีนะจำให้ดีนะไม่ใช่อาณิสงส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธิ์ยานเป็นอาณิสงส์เมื่อสมัยก่อนตาถาโคตเป็นครามและก็ยังเป็นพามคนจนเวลานั้นมีลูกชายคนดีอยู่คนหนึ่งเป็นลูกชายหัวปีและก็เป็นลูกชายคนสุดท้องเป็ไงก็มัมีคนเดียว ไม่น่าจะโง่เป็นลูกชายคนเดียวเลูกชายหกปีแล้วเป็นลูกชายคนสุดท้องใช่ไหมตออมาเมื่อยุคประมาณสิบหกปีเ้าเร็นมพรามพรามธรรมดาพรามไม่ต้องให้ลูกชายเรียนไต้เพศใช่ไหมอีรูกเพศได้ลูกเพศสาวลูเพศอช่ ทั้งสามอย่างทั้งสามเพศฉันไม่รู้เลยฉันเทศจะจะรู้สองเพศเพศผู้ชายและเพศผู้หญิง <c oughs> ถ้าไม่เก่งอยู่สงไม่ใช่ยังไม่ไว่ายังไม่เจอจะว่าอเสี่ให้เรียนให้เรียนใจเทศจับเพื่อนคือเพื่อนเป็นพระนิสัยอาต ธ, ธรรม แต่ว่าท่านลูกชายของท่านสามคนนี้ฉลาดมากสามหลักวิชาเขาเรียนงานสามปีท่านเรียนเชิงแท้หกเดือนจบหมดจบแล้วแถมยังเก่งกว่าอาจารย์นิดนิดที่ว่าเก่งอาจารย์ในความรู้มีความเฉลา่ยกว่าอาจารย์แต่ก็แต่ก็อ่อยสู้อาจารย์ไม่ได้เพราะอาจารย์เป็นอาจารย์ก็มีความเคารพในอาจารย์อาจารย์ให้สอนลูกจิตแท้เนี่ย ต่อมาท่านก็มีความคิดว่าความรู้ในใจเพื่อแก่อาจารย์สอนไม่ใช่าทางคนทุกข์มาแล้วมไหมไม่ใช่าทางคนทุกจันถามว่าอาจารย์ความรู้ที่มีเหนือจากนี้มีไหมอาจารย์ก็บอกว่ามีแต่ว่าไม่ใช่ที่มีท่านถามว่าที่ไหนก็บอกว่าไปที่พวกเขาคันธมาสอาจารย์ที่นั่นมีความเฉลายกว่าอาจารย์มากไม่ใช่พระประจริตพุทธเจ้าดิ เป็นที่อยู่พระบาเจฟุเจ้าท่านก็ไปฝากพระบาเจฟุเจ้าองหนึ่งให้ศึกษาท่านศึกษาต่อได้ไม่กี่วันตามหลักสูตรเ ข, ขต้องเรียนเป็นปีแต่ว่าท่านพรามพวกนี้สาโรงเรียนไม่กี่เดือนจบอีกเมื่อจบต้องอัธรรมของพระบาเจฟุเจ้าแล้วก็ขอลาแ ย, ยากตัวเพื่อปฏิบัติธรรม ไปปฏิบัติทำจนได้ไปไหนก็ได้บรรลุเป็นพระบาเจ้านีคนจะเป็นพระเจ้าผู้เจ้ามามีสูงมากนะเมื่อเป็นพระบาเจ้าผู้เจ้าก็อยู่ในแถวนั้นเป็นที่เคารพก็บรรดาบ ช, ชาชนหลายเป็นพระที่ดีมากชันบ้านชอบมากพระเจพบาเจ้าก็ไม่มีอะไรแล้วที่จะไปมีใช่ไหมใครอยากจะฟังเทศตัวเทศจะฟังใครอยากจะคุยธรรมะเพื่อความเข้าใจก็คุยหฟังทุก อ, อย่างเป็นที่เคารพ แต่ว่าไปที่หน้ายินดีอย่างยิ่งอีกส่วนหนึ่งคือท่านมีอายุน้อยตายเร็วมีความสุขดีไม่เอ้ามันอยู่ก็ปวดตองขี่ปวดต้องยืนขี้ข้าวตายไปผ่านมือยขีเข้าอ่ะแต่งโล่แบบไหเอายุได้ไม่นา น, าาน เ, เท่าไหร่วันปีเท่ยงก็นิบผ่าน เมื่อทันิพานฉ้ายเขาทาการชาวนาจิตคือเผาศพเผาศพแล้วก็สร้างเจดีย์บรรจุกระดูกไว้ที่ส ก, การะของเข า, เขาต่อมาพรามณ์ผู้เป็นพ่อพรามผู้เป็นพ่อก็คือพระผู้ได้เจ้าของเราเองไม่ใชใครพระเจ้าเนี่ยดีจริงมีลูกเป็นเพระเจลียดพรเจา้าเยอะแต่พระองค์ยังไม่เป็นแปดชั้นเนี่ยยกทรงมีลูกหลายคนนี้ยังไม่มีลูกเลย ก็เปน็นนะว่าพ่อมีความคิดเสียนลูกาหายไปไหนก็ไปถามพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนถามว่าลูกของฉันไปไหนพราหมก็บอกว่าเขาเรียนน้นหน่อยเดียวก็จบจะให้เบ่งทูเธอต้องการความรู้ยิ่งไปกว่า น, นั้นฉันก็ไปฝากพระเบ เ, เจพระย่าที่ภูเขาคัตธรรมานท่านพ่อก็ตามไปที่ภูเขาขัตธ ม, มา ก, ก็ไปพบพระเบเจพระยาที่เบ่งทูสอนท่านบอกเขาเรียนกับฉันไม่ในเขาก็จบหลักสูตร ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรมากมีกําลังใจดีเขาขอแยกไปปฏิบัติตนในที่สลัดที่หมู่บ้านโนนพรามผู้เป็นพ่อก็ตาไปอีกว่าตาไปแล้วไปถามคนท่นว่าะรู้จักพระพเจ้าชื่อนี้ไหมเขาบอกว่ารู้จักคนแถวนี้เคารพพระพเจ้าองค์นี้ทุกออกทุกคนถามว่าเวลานี้ท่านอยูดไหนเขาบอกท่านมีผ่านไปแล้วท่านพ่อก็เสียใจโสลดใจอยากจะพบลูกไว่พบใช่ไหม ถ้าถาว่านิพพานเป็นแล้วเวลานี้กระดกว่าที่ไหนก็บอกว่าวันจุว้ที่เจดีย์อันนั้นท่านก็นไปที่เจดีย์ทางความเคารพที่พ่อไหว้ลูกไหมเคารพกราบตูดกระดกกรดกกระดกอย่างยกโศกราบใช่ไหทางความคารพกคิดว่าเวลานี้ลูกเป็นพระบาทเจ้พระเจ้ า, ามีบุญใหญ่แล้วจะทําบุญอะไรใอ้เราก็เดินทางมาอย่างนี้ไม่มีการเตรียมตัว ก็ไม่มีอะไรพนสึกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปเอาทรายมาโรยพื้นที่ข้างๆจะดีรอบจะดีนะตรีเรียบเรียบราบใช่ไหมตรีเรียบให้ไปทางเดินดีๆนะคนไปคนมาเวลาที่เขาจะเดินมาบูชาก็าจะเดินสะดวกๆไม่ไม่โผล่ไม่เสียไม่เป็นหัวไแหงนะแล้วก็ราการที่สอง ไปเอาไอ้พันธต้นไม้ในป่าชีมันมีดอกมาปลูกรอบๆข้างๆทางนี่เป็นการนี่สองนะแต่การที่สามไต่ที่ไ ป, ปันยอดจะดีมีของดีมามใ่คือมีผ้ากุมารผูกเป็นทวงกพราไม่มีนั่นไม่แก้ผ้าบนตัวแล้วนี่เดียวกมารนะ ถ้ามมีมาแค่แก้ผ้าทำตรงก็ไดแล้วกับการที่สีต่อไปก็เอาร่มที่กั้งมาผูกไว้บนดอดเจดีย์อาเจ้าที่ครยตั้งใจมาโดยเฉพาะเรื่อการรมาทรมขอท่านก็มีสงไรอย่างหนึ่งตั้งใจสมาทานศีลเน้นละว่ากันวันนี้วันมาวันมาตานเา น, นี่ยพระทเจ้าสอนเรื่องคำเจ้าธรรมะจะสร้างสูงใช่หม การตั้งใจสมาธิินท่านเป็นสินมีศีลานุติกวฐานเป็นสมาธิ เ, าเวลาเนี่ยทุกคนมีมสมาธิในสิ่งทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยี่งเป็นชิ้น 8. แปดตราชิ้นแปดที่รักษ า, าไม่ได้ตลอดวันก็ไม่เป็นไรถึงเวลาหลังเที่ยงใหม่หลังเที่ยงไปแล้วกินข้าวได้ทะ ว, ว่าะไว้จะแค่ชินห้าพอชิ้นแปดต้องไปในสองชิ้นแปด ไป ก, กินข้าวและรักษาลังษาชิ้นห้าก็ไปย้อนสองชิ้นห้าวันทั้วันนะแช่ไม่ขาดสีเลนะสุขติงเงียติพระเจ้ากล่าวว่าการปฏิบัติศิ้นไมน่ให้มีความสุขต้ชาตินี้จะไปสวรรค์ได้สีเลนะภูกระสมัชชาข้าน้ำหน่ยที่การปฏิบัติศิ้นจะมีความสุขในในลาภยศในในในทรัพย์ชิ้นต่อไปมันก็ลำเหนยมาก ชี้เลยในทิศนิพ่านติสินเป็นปจัจจัยปันิพันธ์ได้โง่ายวันนี้ความดีของท่านอย่าลืมมาว่าทุกคนเวลาชาติรักษาโบภศกศินถ้ามันมีความจําเป็นจริงจริงตอนบ่ายอดข้าวไม่ได้ก็ไม่ต้องลาชิ้นแปดตั้งใจรักษาชิ้นห้าชิ้นแปดยังคงโศยังมีอันสงชิ้นห้าก็ได้อันสงต่อไป แล้วก็รายการนี้สองทุกคนมาถวายสังฆทานเป็นโตแล้วก็ถวายอาหารพระก็เปสังฆทานใหญ่การถวายสังฆทานในบรรดาธรพุทธวิสัทธ์ทั้งหลายอานี้สง์ที่จะพึงได้จากสังฆทานจริงๆอย่างตําเป็นเทวดาและนางฟ้าชั้นที่ห้านะไม่ใช่ชั้นดาวดิ้ ถ้าเรียว่าท่านในมาราดีมีความสวยสดงงามมากมีวิมานใหญ่ไม่ร่างกายสวยเมื่อแต่มีกายสว่างสวัยมากแต่ส่วนใหญ่ที่ไปดาวดึงก็เพราะวะ่าต้องรู้จักดาวดึงตั้งใจแวะก่อนใช่ไหมอันนี้สงทายของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังฆทานท่านถวายแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้ว ขึ้เกี่ยวกับความยากจนขินใจของท่านจะไม่มีถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดยานใดที่มีความดุลสมบูรณ์ผลสุขจะเกิดที่นั่นที่ไหนมีความยากแช้นจะไม่เกิดที่นั่นจนกว่าจะเข้าถึงนิพพานและกานนี้สามทุกคนตั้งใจฟังวัรรมเทศนานเป็นคำ ส, สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฟังวัรรมเทศนานนี้เป็นกรรมฐาน การนึกถึงการให้ทานก็เป็นกรรมฐานเหมืนการวันนี้ว่าในกรมฐานกรรมการตั้งใจว่าจะมาถวายทานกับพระสงฆ์เป็นจ่าทานลูกิษกรมฐานเป็นชานแล้วนะการตั้งใจรักษาศีลไม่ใช้เวลาในน้อยก็เป็นชานการตั้งใจถวายทานเป็นจ่าทานลูกศิโย์กรรมฐานก็เป็นชานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายทานเป็นชานดับบารมี แล้วนอกจากนี้อเนสง์ที่บรรดาทางพุทธวิสัทนจะกลึงได้ก็มีหลายอย่างี้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ที่วัดท่าสงที่พื้นคอนกรีตเห็นไหมพื้นทางเดินนี่เป็นคอนกรีตเดี๋ยวไปดูที่หน้าวิหารร้อยเมตรเกือบจะเต็มแล้วแล้วก็ไปดูที่ยี่ห้าไร่ก็เกือบจะเต็มแล้วพื้นคอนกรีตนี่ ก็ใช้เงินนิดๆหน่อยๆไม่มากเงินล็น no ้อยนะไม่แ็งนะก็ตาตลางเม็ดจะหนึ100่งร้อยบาทเอาแค่เม็ดนะถ้าใครสร้างเม็ดเดียวชาติหน่าก็มีบ้านท่าวสรพรภูมิก็ยังมีมากันแค่มีเม็ดเดียวต่างต่างสวๆเดียว แล้วก็มีบันไดลงไม่ได้เลยพื้นที่ต้องตายเสาลงสา <c oughs> ต, ตรางเมตรละร้อยบาทจะลงทุนเต็มพื้นที่พื้นแรกจุดเดียวแฉ่เพาะที่ยี่ห้าไร่กับที่วิหารร้อยเมตรก็มีที่เทใหม่จริงๆประมาณสี่สิบร่ยถ้าที่มันั้งหมดจริง5ียห้าสิบร่กว่า <c oughs> ภาษีมาแล้วก่อนก็มีทุนแล้วทั้งหมดสองล้านเศษเศพัก่อควันที่ซอยใชลลงมาทำบุญกันมาหนึ่งหมืนหนึ่งพันหนึ่งร้อหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนสองหมืนหนึ่งพันหนึ่งร้เรวมแล้วนะรวมทั้งที่ทำเก่าทำใหม่ด้วย <c oughs> แต่ทุนที่จะสร้างจริงๆก็หกรุ่นแรกหกล้านสี่แสนบาท ฉันก็เก็บเงินเงินเหลือจะเดินก่อนสองล้านบาทเงินเหลือจะเดิน 5, <c oughs> นี่ประมาณห้าแสนบาทผสมใส่เข้าตรงความว่ายังเป็นหนี้ประมาณสามล้านเศษเศษนิดหน่อยลูกทั้งชั้นรวยเหลี <c oughs> ยวค น, น้มั่งคนนี้มั่งใช่ไหม <c oughs> ก็เป็นว่าทําพื้นที่อย่างนี้มันก็เหมือนกับพื้นที่ที่พระพุทธเจ้า ทำให้แก่พระะเจ้าพรธเจ้า <c oughs> แต่นั่นท่านทำด้วยความเป็นคนจนแต่ทอนะก็ไม่น่าจะจนนกแต่จะว่าเป็นคนเดินทางอาทรายเข้ามาเกลี่ยใช่ไมให้เป็นทางเดินตอนนี้เราทำดีกว่านั้นๆๆก็ไปนคนกรีเพราะเราเป็นลูกทําทำดีกับพอ่อ้องไปอภิชาตบุตรเ <c oughs> พราะเรามีเวลาทําทุน ถ้าถามว่าการตัดสินใจตัดสินใจเมื่อไหรฉันจะตัดสินใจมานานแล้วฉันมองมาหลายปี <c oughs> ว่าพื้นที่แถวนี้ทั้งหมดอย่างหน้าวิหารนี่ยก็มีคนมาแนะนําบอกควรจะทําให้สนามหญ้ามันจะสวยสดสดงามใครก็เอาสนามหญ้าฉันก็เอาจะทําแบบนั้นแบบนี้ฉันก็เอาฉันชอบเขาทําำสวยๆดอกไม้ประดับประดาเอาหญ้ามาปูใช่ไหม พอถึงเวลาจะทําเสร็จแพระพุทธเจ้าองมทมมาทั้คุมอยู่ถ้าบอกแกจะเอาไรก็เอาฉันไม่ว่าแกแต่ฉันย่องี้นี่ของแกจะทําสนามหญ้าแกก็ทําไปจะปลูกดอกไม้แกก็ปลูกไปแต่ฉันจะเทพื้นคงนกรีตเรื่อการทําสนามหญ้าน่ามันสวยแต่ว่าที่จอดรถไม่ได้เการที่นี่ง แป่การในสองสนามหญ้ า, าต้องใช้เงินทุกวันรถน้ำก็ถึงจ้างคนน้ำขึ้นมาก็าใช้แกระแสไฟฟ้าเพื่อนจากคนเราสิบลอ้อเอาเงินเ ข, า ไ, ข, า, ไขาไว้บ้ะกบานไว้ผสมทลายทำไมพ่อดาวเลยสบายมากถ้าไม่ได่ดาจะพูดถึงฟังถ้าเป็นด่าวให้เป็นด่ายกทรงไป <c oughs> นะถ้าบอกริการไม่สมควรเอาอย่างนี้ทเทพื้คอนกรีตให้หมด แค่แบ่งจุดเล็กๆ เ, เป็นส่วนๆปลูกตนไม้เป็นจุดๆใช่ไหมรถมาจอดก็จอดง่ายเดินก็เดินสะดวกฮูก็ไม่กัดฮูมาก็าง่ายนี่เป็นความสงฆเจ้านะ่ะถ้าเธอบอกอะไรสง์ต่อไปเธอก็ดูอ้อะไรสงของฉันสมัยที่ฉันบูช า, าพระบัจเจ้าอันไหนแค่เอาสายมาโรยให้ที่ราบเรียบ เพราะนายมันเรียบเรียบเรียบไม่เท่ากับพื้นพื้นคอนกรีตงนั้นท่านก็นเลยย้อนถามมาบอกว่าสมัยส่วนก่อนของเธอย้อนดูไปทีเกิดมาจริงชาติทำอะไรบ้างแม่โอ้จริงๆไอ้พื้นในฉันทำทุกทุกชาติถนนทำทุกชาติอาคารทําทุกชาติใช่ไหมชาตินี้ที่มีบ้านเล็กเล็กเป็นน้อยไม่คยที่อยู่เขานะมีหน้าที่แค่สองไร่บ้านสองร้อยไร่บ้านเต็มหมด <c oughs> เร้่องน้อยอะแต่หมดเนี่ยอันนี้สงเก่าของเธอเพราะก็ฉันช่วยท่านช่วยด้วยเนี่ยฉันต้องการเลื อ, อกฟื้นของเก่าของเธอให้มารวมตัวกันทั้งนี้พ่ออะไรก็ลูกมากหลานมากให้ลูกไอ้หลานทุกคนจะมันเกิดติดตายกันมาทุกชาติเนี่ยประเชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็เธอก็ให้เป็นชาติสุดท้ายของมันซะด้วย ไ, ไม่ไปด้วยกันจะอดตายเราคงแต่แต่ละ แต่โดยเฉพาะอย่างยิงย่งการสร้างพื้นประเภทนี้เป็นความสุขที่ให้ให้ความสุขแก่คนทุกคนที่มาถ้าเราให้ความสุขกับเขาวความสุ ข, ขมันก็ถึงเราแต่โดยเฉพาะอยางยิ่งขึ้นที่ความตกใจซุดตัวโลจะไม่มีสำหรับคนสร้างพื้นพอาะพื้นมันหนักใช่ไหมบุญใหญ่จริงๆเขาต้องเดินทุกวันโอโกติเนี่ยมันนานๆขึ้นทียยเวลาจะนอน เพื่นต้องใช้แต่เพื้นที่ ท, ทํา ท, ที่ยี่สิบห้าไร่จากที่ร้อยเมตรยังไม่พอที่รับแขกให้ทําอีกค่อยๆทําไปถามว่าเงินที่ไหนเงินไดนก็ตามถ้ามันเหลือทําไปเลยถามว่าถ้าทำเงี้ยไม่เหลือถ้าไม่เหลือไปนี่แกไปนี่รู้ก่อนก็ต้องนี้ไม่งื้นไม่ได้ทําก็ทํำเรื่อยๆมาจนกรทั่งหมดเงินไปหลายล้านล่ะช่วยเชบอกบุญนะเขาจะบอกให้ทราบอ พระองค์กล่าวว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบในสงฆหลยอย่างนะเคลื่อเทศมาเทศไปพระกินข้าวแล้วทำไหิวใครยมยังไม่กินใครหิวข้ามายกอ่ก็เวท่ววหิวเะเทศตอบไปทไมาอาเอานี่ฉันลูกศิษย์หลงโตยังยังไม่หิวอะ่ะ ไม่เห็นอทษจะเทศเรไปไหน่อยอีตอนนี้ในเทศเล่าสูงกันฟังเมื่อกี้ก็ไม่ฟังถนัดนักก็สมัมหลวงพ่อโตสมเด็จพระธาตอาจารย์โตท่านเป็นพราานะ ร, พราชานะไม่เรียงลำดับท่านเป็นพระราชาคณะชั้นต้นสามัญเลื่อนไมท่ทีเป็นชั้นเทพเลื่อนไมท่ทีเป็นสมเด็จ ไม่ได้ข้ามมุดมาถ้ข <c oughs> ้ามนีนพูกจากขาแล้วตกหลนตายทั้งนี้พราะอะไรว่าสมเด็จพ่อตัวไอ้หนูยิวข้าไป่รู้เลยข้าไ ม, ไม่หิวไม่หิวไม่หิวแต่บันเทศอยู่เนี่ย <c oughs> ยัใครมันยกมือหิวมามเทศไม่จบ <c oughs> ตามธรรมดาต้องเทศในคนมีความสุขใจใครยังมีความทุกข์ลำบากอยู่เทศอยู่นั่น ข้ายิงหิวยิงเพ็เ พ, เพ็ดางหายยู่ให้ได้นวันนี้ขาขาเดินไม่ได้กปข้าฉันน่ะต้องนั่งรถต้องนา่งรถอ่ะทรงพระเจ็บขาไม่เจ็บไม่เฉยไม่รู้ว่าจะยังไงอยู่ๆกลไปจากอยสีลมมาเจ็บเดินไม่ได้หลับติดนะ เออใช่ใช่ใ ช, ใชอต้องได้เทพปให้เตียนนะทุกคนนะไม่งั้นยืบไปเข้อาอย่างนั้เออต้องแบกละนั่เรื่องกกันนี้ว่าหา้าชั่วโมงยันเราเรื่องพ่อตยวฟังเอาไามเอาไหมเอาคนเดียวเนี่ยมันไม่ดีกับฉันใครใหญ่ฟังเยวกวขึ้น อออใช่เลยเอร็ดจันหลวพอโตท่านเป็นสาเด็จแต่ความจริงหลวงพ่อโตจริงจริงนะท่านเป็นลูกรองหนึ่งจริงจริงไม่เชื่อไปถามรอดหนึ่งที่จะพานพุดที่เคยเคยถามก็ท่านแล้วนะท่านยอมรับหมายควมา้าว่าง่ายท่านจะเช่ริงจริงรับโดยการดุกษาภาพแบบพระพุทธเจ้าไว้ล่ะ พระเจ้าแต่ใครเขายังมโนใช่ใชาใช้สสสแสดงว่ารับคือว่าเรื่องมายอย่างนี้สมัยนั้นพระเจ้าตากสินยกทัพไปทางด้านทิศตะวันตกใช่รับทิศเหนือก็ไปไปสังเกตทัพพม่าจะเข้ามารอนึงก็ไปวางแนวทหารไว้ีวันหนึ่งก็ออกไปตรวจแนวทหารพ อ, อไปตรวจแนวทหารก็ไปเจอกัท่อมกับถ้ำหนึ่ง อ่ให้ตังให้ลุ่มยิ่ให้ตังก็มาแตอนึกว่าลูกนี่อ้ก็สาบไม่ไดเดือดร้ายเยเดิเดเดินเดไได้เขาเขาใครใรเขาฟังสบายสบายคือคือว่าท่านก็ไปดูทหารไปตรวจแนวพอกลับมาก็ย่องย่องไปเจอกระท่อมกระท่อมหนึ่งอยู่กลางนา แตบบ่ปรากฏพระราชวิดาแล้วก็แม่เขาสาวไม่อยู่รูปร่างหน้าตาดีก็ย่อมไปตรงตรงิ๋งตรงติ๋งตรง ต, รงตรงิ๋งใช่ไหมนี่ไนกไปนัเป็นที่พอใจกันพ่อแม่เข้ามาเขาเห็นว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ก็เลยเลี้ยงลูกสาวให้เมื่อขนาดได้ขับตาทัพกันอยู่ที่นั่นครับปรากฏว่าเขาไม่นานนักนะก็เป็นปีนะ เป็นดังว่าลูกก็เกิดเกิดพระคันตั้งคันต่างโคตรขึ้นมาตอนที่ยกทัพหับก็เอาผ้าขาดเอวจังเจนยกให้ไว้ว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วก็ส่งลูกเข้ากรุงเทพเอาผ้าขาดเอวมีไปด้วยผ้าคาดเอวถึงยกใช่ไหมให้เวลา น, น, เ, ป น, นเป็นเป็ น, นเวลานี่เป็นเอาต่อมาภายหลังท่าน ให้เกิดขึ้นมาบทเน้นบทอัลละว่าเลยไปก็เข้ากรุงเทพก็เป็นเนนเข้ามีผ้าขาดเอวสีเข้าไปก็เข้าจะว่าเวลานั้นรอนึงสวรรค์คนแล้วก็ตายไปแล้วแด้ว่าเป็นเนนอยู่พอแสดงผ้าขาดเอวเขาก็รู้เลยว่าเป็นลูกรอนหนึ่งแต่ใครก็ไม่รับว่าเป็นเจ้าใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเอาไปเลี้ยง เขาไม่รับว่าเป็นเจ้าแต่เจ้า ส, งส่งเคราะหเขามัรับไม่ได้มพราะมันเป็นบทชัตใช่ไหมแล้ ต, ต่อมาต่อมาก็บรรล ก, กับเรียนจบพระใจพิจดพระใจพิจดแต่ฉันมาไม่จบอย่างเดียวเป็นไปเสมิชายานบีจ บ, จบพระใจพิจดอย่างเดียวมันยังโง่หวัดซบอยู่คนน่ะเสียขนาด แต่ว่าไม่จบไปตั ว, ตวเดียวจะเป็นไ ป, ไปเชิงายานณแตกแานมากเวลานั้นรอสีก็บวชก็โตจนรอสีทีช่ชอบใจรอสรีก็ทราบไปเป็นเจ้าจาึงว่าถือเพื่อันเองตอนมาเมืม่อเมืม่อรอสีบวชแล้วก็สิกออกมาเป็นกษัตริย์รอสีก็ตั้งให้ขอวงโคโตเป็นพระราชาในชะั้นสามัญแต่ในมณนเขามราเทศในวังเรื่อย เทศไปเทศมาก็ไปสุดชอดจากก็ตั้งเป็นราชาณ์เลื่อนเป็นขั้นเทศไปเลยรัชกาลที่ใช่ใช่เลื่อนเป็นยุทธเทศหน่อยเดียวไม่ชข่งก็เลื่อนไปสมเด็จพระชาจาย์โตโตไม่ใช่เล็กก็มีเรื่องที่ต้องทะเลาะเบาแบ่งกันอยู่บ่อยๆก็รัชาลี่4แค่ต่อคอก็นี่ก็ตัดไปเร็นละอยู่นะ ถ้าไปเทศในวังวิเขาหนึ่งเทศยังไงจะไปรู้ประเทศเรื่องประวัติศาสตร์ควาไปม า, ขาเขาไอคนสมัยก่อนไอคนสมัยสมัยพระพุทธเจ้าสมัยโน้นเนีเเ่ยนะเอาไอไอพี่ไอพี่น้องเป็นเมียจะเรียกว่าไปว่ามานะเกิดมาลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันไอพี่ช้ยก่อนน้องมาเป็นเมียไอไปมาเมื่อหลดหลดมันก็ลามมาถึงไดอกษัตริย์สมัยราชวงศ์ศิลเนี่ยถึงเุเทพรอสีกรด สั่งถอนจากสมเด็จอันนี้สั่งถอนนะถอนจะเม่ถอนก็ไม่เป็นไรถอดยังไม่พอขับออกนอกประเทศอีกข้ามดู่ในเข่าคาราทีมาไปไงถ้าเป็นเจ้าคุณราชกษัตริย์ยนก็ตายหาไปแล้วนะ <laughs> <laughs> ไม่รู้จะไปที่ไหนนะถังจะลุกมาคับก็ไป บ้านเขไม่อยู่เราก็ไม่ต้องอยู่อยู่บ้านเราโอ้ยเบไม่ใช่ไม่ใช่ยอดท่อเสียงกัเขาดังเขาดังโจรแล้วเนี่ยโจรแล้วมาไล่เขาไปไปนอนในบ่ตะกั่วถ้าเป็นฉันก็งแงแขงไปแล้วเทสไม่มีทางไปไหน <c oughs> เขาจะอยู่หัวสั่งให้เจ้านไปไล่อย่วัดแก้ว อันบอกเฮ้ยนี่มาที่วัดไว้มีที่เจี่หัวนี่ียหัวมันมีสิทธิที่วัดไว้โอ้เทีโหัโสงเอาถึงไม่ไดพรนอนนั้นถึงถึงาบ่ายปวงที่ขี้อังเยี่ยวาาของเราไม่รู้ปวดที่ขี้ใหุ้ตัวเยี่ยวเล น, นั่นแหะพอถึงตอนบ่ายเจียหัวก็สั่งเจ้าที่ไปก็บอกว่าเอานี้แล้วกันอนุญาตให้หัวโตเข้าขอบคันศีลมาได้ เข อ, ออกจากพระบุตรพระแก้วเดินท้อมๆๆ ม, ม, ม, มาที่ตาจีตาจันทร์ไหจะข้ามฟากพีหัวก็สั่งให้เป็นนักงานอภัสสมเด็จมาถวายถามทำไมเพราะพี่หัวสั่งอภัสสมเด็จถวายบอกเฮยไม่ได้รับไม่ได้ไอ้ใครเขาจ้างสมเด็จกลางถนนหรือว่าออมีหรือว่าการสมเด็จการถนนท้องทางแล้ว ไ, ไปพี่หัวมึงไม่ได้เรื่อง มีอย่างนี้ใชื่ออะไรดูถูกกันดีวะตาแหน่งสมเด็จตแหน่งเล็กน้อยแล้วเจ้าที่เรากลับทางไปข้ามฝากมาเจ้าจ้างจ้างมาเจ้าไว้ทางใจลุงเจ้าไว้จ้างอีกกูเลิกไปสมเด็จสี่ทำอไรมาได้ปะเวลาที่ไ่สมเด็จทำไมไอ้คนเจ้าไม่ต้องเจ้ไว้ต้องเจ้ไว้ทใจก็เจ้า้องเลยเนาเจ้าไว้จ้างข้ามฝากต่อมาสมเด็จ ก็ต้องเสียขอใหม่นี้ถึงวันวันเวลาเขาในมณฑลกบฎในวังตั้งําเร็จต้องเสียพัสก็ถวายพัสถวายผ้ากายถวายตัวแทนใหม่เสียทาบกายเนต่ามาขอเล่าเรื่องเดี๋มันไม่จบไปเล่เรื่องที่เด็ดเดี่ยตายมองตรงนี้กันวันนี้ฉันไม่จบเรื่องนี้นะก็ <c oughs> <c oughs> ขอสรุปขั้นสุดท้ายวันหนึ่งพระชายาเมีย ก็จบายเพื่อเมียเมียเมียนั้นดังเสียงายาเรืองว่าใจหัวปัจจุบันบอกสมเด็จพระีนีก็คือเมียเนี่ยคคุยกันนะเคคุยก็คือเมียนะเล่าเรื่องอะไรจีนีพรพระราชนีเขาปดัวะนีก็คือเมียเนี่ย เสอารมณคุณองคนไปคนละเรื่องเนี้่ยไปคอลเรื่องครับที่คุณเห็นอนตอนหนึ่งเม่ียกําลังท้องแก่ไปหมอเขาจะออกวันนั้นก็ไปวันวันพอดีวันพระที่สุนัยโตจะไปเทีท่ยวเรื่องรอสี่ท่านก็หนักใจว่าลูกมันจะออกมาจะเป็นยั ง, ไ ง, ไ, ไ, ไ, ง, ง ไ, ไงบ้างไม่เป็นงไงม้างลูกเป็นยังไงไหม ค, คิดก็บอกลูกเด็กโตบ่อยชาบบอกวันวนี้แม่จะออกลูกแม่แม่แ ม, ม่ม่จะออกลูกก็ขอเช็ดห้น้อยมานั่งให้ ส, สบายสบายใจย ท, ท่านของเด็โตั้ประเทศเลยไปประเทศเยาบอเดี๋ยวโมโรักทึกโมโหขึ้นลูกออกบอทุกข์ก็ขึ้นใช่ไหมซึ่งตังของครานแล้วก็เพลงไทยก็ขึ้นลรอสีก็นังกับสับปะสายอยากจะรู้แม่มนเป็นยังไงลูกเป็นยังไงใช่ไหม พระเจ้าตัวก็เทศเลยไม่จบก็ลุกไม่ได้เพราะ่าท่านเปงพระมาก่อนรอศีอาพระพุทธเจ้าบอกทำโ ม, มคุกาับโภพระพุทธเจ้าอย่างรบธรรมตอนนี้ตัวท่านเองเนี่ยมาครบธรรมยังไงขนาดเป็นนัปบาดมาก่อนคนสุดท้ายก็ต้รงเทศเลยไปรอ ศ, ศีก็ไม่สบายใจต้งเทศเลยหมายว่าเชีย จนท่านนาที่สุดนานนานข้าวข้าสร้างชิดแจ้เป็นไงเราจก่อนว่ามันจะตายหรือไม่ตายถ้ามันจะตายเราก็ช่วยไปได้ใช่ไมสต้างใจฟังเทศยโตพอาเริ่มจิตเป็นสุขเขาตัดสิดใจ้เปนไร้งใจเสียสมเด็โตกัวเอวังก็มีสบายกันที่พอดีเป็นสุขให้ก็บม่อ่าอะไรเสีกครับเราเริ่มจับใชไหม ตอนนี้มาอีกวันพาะหนึ่งถ้าระเทศน์สวดพระถ้าไปตั้งใจว่าวันนี้ลูกก็สบายแม่สบายทุกอย่างโตหมดง า, งานงานทองหมดใช่ไหมวันนี้ตั้งใจฟังเทศน์โคตรโตให้มีความสุขสักหน่อยอย่าฟังสบายเพราะโตขึ้นไปกับขอเขาอรรถาสินะ จ, จิสุนัมโม ต, ตัตตะตัวโตห่าโตสัมมาสัมพุทธสัจจะจบใช่ไหม อะไรอะไรก็มาฮาบอกผิดก็สงสารอยู่แล้วเอวังของมีโดยตาเราทีก็คุยต่อวันนี้ตั้งใจจะฟังเทศบาลเชื่อเทศไม่เทศเสร็จแล้วมาไว้ตอนในี้ลูกมันก็จะออกแล้วก็ห่วงทั้งแม่ห่วงทั้งลูกแต่บันเทศไม่จบแล้วก็จิตใจไม่เป็นสุขบอกว่าพระเทศเขาต้องเทศให้คนมีความสุข ในขณะที่จิตยังไม่มีความสุขก็ต้องเทศให้มีความสุขให้ได้แต่วันนี้มีความสุขอยู่ประเทศอะไรกันะออนะโอ้โหกันเองนั่งเดียวเยิ่งแตกไปวังยังมีงใช่ไหมเนี่ฟังไปตะกี้โม่ <c oughs> มันนี้เยอะเลเนี่ยวันนี้จะมีเร่งมา อีวันหนึ่งกําลังนั่งนั่งเพจกาลังนั่งแส่งข้าอยู่พอจะยะถขาข้าพี่สมเด็จเยี่ยวแตกราดขึ้นมาหลายนองนนเลยพี่หัวจะบอกพุทธองไม่เยี่ยวแตกนะมันยังไม่ถึงเวลาลุกเลยมันยังไม่ถึงเวลาลุกมันเป็นไงเ ย, ยี่ยวขาข้พี่เยี่ยวขาข้พี่ไอ้พี่เยี่ยวใครห้ามได้อ่ะโอโอ้โอโอ คนในวางถูกหวยก็สมบัดเลยไม่หวยคือสมัยนโอ้โหถูกันจมด้วยไม่หวยแบบไม่ดีแล้วกลับมาโรงเรียน ม, มีเรื่องอยู่แล้วในวันหแบบ น, น, น, น, นึ่งก็เจ๊งยหมกันพอลงไดยเฉพาะปากไอ้ผัวเมียากขายมันเท้าทะเลาะกันอีก ไอ้ผัวก็ดาเมียเมียก็ดาพัวมันจะฟ้ามเต็มลำเลยมั้ยตมาตีก็ไม่ได้สองคนอ่ะมันข้ามมาฟ้ามาตีก็ไม่ได้ถ้ะ อ, ะ อ, อะไรแว้งเข้าไปไทยนู้ทะเลเขาเรื่องอะไรอะสอทุทิจ้าทะเลเขาบอกทะเลขายของเรื่องขายของเมียขายของผิดราคาอาจจะขายถูกไปใช่ไหมถ้าเราถามว่ามาฟ้าทั้งลำในียราคาเท่าไหร่ เ่าบอกสี่บาททาไมก็อี่บาทเนี่ยเล็งเล็กนะท้าลงสั่งสองสั่งท่านก็ขอเหมาหมดก็สั่งเจ้าหน้าที่ของท่านช่วงคนเจียวเรียปัญญาขึ้นไปเลยเอามาเพลาอยู่น้ำให้หมดจ่ายตังคสี่บาทเลยโยนน้ำไอ้คนจนก็เจ็บกันใช่ไหมไห้คนจนจริงๆก็เจ็บไอ้คนยากจนก็เก็บไอ้คนยากจนก็เก็บนะนไม่ไม่ไม่ได้ชะล้นดิโทรหวยอีก โตใบว่วยเ้ า, าใช่ไอ้เดนได้ที่ได้เาได้ไปทีได้หวยก็ได้ไปโอ้เอี่านี่เขพอ้าตาปลนะไม่ใช่ไม่ใบ่แล้วเครื่องตั้งเวลามันหลน่นจบกันเอวังก็มีกิน เม่ไม่งั้นมันไม่จบไปเอยเนี่ยโล่งโาโลงยากก็แย่จีบปัญหามันก็ไม่สูงอ่ะวันนี้เดี๋ยวใช้สายก็ไมชจบได้ดีหาย